เทพอบรมพระเมื่อวันที่ส7เจ็ดเดือนมีนาคมพศส5 2 1นี่ดพูดเรื่องขึ้นเขาวงพระจันทร์พูดเวลาเจ็บป่วยไม่ต้องการช่วยเหลือจากภายนอกแต่อยู่ตามความเป็นจริงเท่านั้นเราอยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นธรมอย่างเต็มหัวใจเพราะพุทธศาสนา คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยแท้ไม่สงสัยนุ่มนวลแต่หนักแน่นเพียรตามกิเลสเคยเพียรมานานแล้วบัตรนี้จงเพียรตามสวากขาธรรมผลจะเป็นที่พึงใจจำไว้จงมีความจริงจังอย่าเลาะแหละนี่ฟังอัดได้ทั่วไป พนิมนต์ลงไปเขาบอกว่าจรันทร์งไปไหล่เขาขอเราให้ไปหรือไปเไปขาโยกคีนะเนี่ยโยกคีสถานจนุนตรมบุญเศรษฐีอย่างหนึงเท่เลยเราก็ไม่เคยไปอย่างบ้านเขาานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อทำคือแบบเลอะเลอะหู แต่โยมวัฒนมใหญ่โตลกคีสถานห้างขายยาใหญ่โต ม, มันไม่เคยเห็นใจหรอก้องอุฒน์ปรถมก็ถ า, ม, ถา ม, มันไม่เคยมี ใ, นใจนอกจากทรมันเขาพาไปมีแต่คนแก่ๆนี่ห้าสิบหกสิบผู้หญิงที่ไปนั่นนะผี้ชายมีแตเรงคนขับรถคนเดียว คนหนผู children, ้ชายมีสองคนรถโฟล์ดนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงมีแต่แบบนั้นนะอย่างน้อยอายุห้าสิบไปอาจารย์นี่หนอล้วพ่้าอาจารย์ถึงมันตังสามถึกว่าแล้วสองเทเมืดจที่เขาไปพักฟันนั่นเลยวัดชายเขาคุณอาจารย์ พระตระชะเขาจะดอาหารมาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวายถามพอยื่นอาหารอกไปจัดอาหารหาหหอะ้รเยอว่ว า, า, า, าแล้วาาลว่าออไปนใครจะใครว่างอาจจะขึ้นเขาวันนี้ค น, นฉันก็จะขึ้นฉันก็จะขึ้น น, นี่แต่คนจะขึ้นทั้งหมดกูตายเขาไปกับพวกนี้เราบูตตายแล้วนี่อืมูกจมูกฉีกเขาย้อนถามมาเราเราท่านล่ะ ขึ้นไหมหอโม่ลดูเอตุการณ์มื่ก่อนนะว่าการขึ้นอขึ้นเพขึ้นก็ไม่ขึ้นหรือหวานนั่นใ่มครับแล้วก็ไปไดูวัดวก่อนไม่เห็นว่าพอมาดึกออกมาออกคุาย่างเตรียมแล้วนั่นนะเขาบาดอะไรเขาไว้หน่รอ้วโดยลวงมันลงตัวเม่อเเห็นเขาบอมัวแต่รับทางเาก็จะปคิดอะไรมอง ลงรื่อลงเรื่องลขึ้นเลยเราไปถึงตียเขาจะขึ้นนิพพติฆาอย่างนึงหนึ่งก็ไปสั่งกับฆาตไว้ตุลาคมมาถามว่ามีฆาตขึ้นไปแล้วยังให้บอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่างั้นงูไปคนเดียวหนึ่งจะมองแต่งถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไป ช่วโมงยี่ห้านาทีเป็นอย่างเร็วช่วโงสามสี่นาทีพวกทหารคืเขาพา่าอยู่ข้างบนประชาชนมันตั้งสองช่วโมงสามช่วงนง้าเไปช่วโมงเดียวคุยกั บ, บเขาพรเขาเราก็เคยกับเขามาบ่อยแล้วยดูอะไรฝืนภาวนาจิตไม่ออกจากตัวนี้ คุณไปไม่ไม่เร็วไม่ช้าหากไม่เคยหยุดที่ไหนคุณไปไม่หยุดเมื่อยเมื่อยเปรี้ยวแล้วไปดูนาฬิกาแป๊บนีงสักมุมพอไปคนที่รักษารอยข้อหวัดที่ไหนเ่าก็อยู่มาส่อนรับขับสูบานั่งดอนน้ำชาเหานตาขอนงจ้องรอเป็นควา เป็นผปกติเราดูเขาเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเรามันรู้ชัดเจนปรยมาณการดูต่างกันดูแต่เราเรามองจะรู้เขาดูเพราว่าเป็นคนเห็นดั่งแดียวกันแสดงว่ามีพิรุธต่อกันแต่เราไม่สนใจถามอาจรมากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอก ก็มีการมาดยน่มีอยู่สองกลุ่มเขาจะพมาที่หลังพูดมาเลยนะทำอะไรหมอนี่จะราหมอนี่ยังงไ่ใช่ไหมตัวผมทำน้องบ้านชายคนนี่หน่อยราต้งต้อะ้องพอเส็จแล้ขอเวลาเมืองเอออเราก มันได้แล้วอ๋อจะดูนี่ะหมายถีงอะไคดูผมคือคไม่ลืมที่มันทัดเจนนะก็คือว่าโยกเครื่องพังก็คือข้ า, าราชารนี่ไม่มีมีเท่าไร ห, หมดระวัาางนั้นะไม่มีการสัง่งสอง ถ้าเป็นน้ำในคลองก็มมีแอง่งเก็บน้ำไหลทะเลเปิดเปลงหมดคอไม่มีแต่ไม่จุดว่านี้นะแตไ่ไม่มีแต่ไม่จุดนี่อันอันหนึ่งแบบอะไรก็เรียกอะไรรูอะไรตากเป็นพุท ธ, ธะเพุท ธ, ธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดใครฟังเลยผมพูดเฉพาะนั้นเ่านันส่วนมากนะ ปามคือปากพุดถ้าอะไรเพราะว่าาำหลังเขาเนแบบี่ยคือวาทกรอมพูดสำพันมากจำว่าก็คนอนึ่งว่าอาจารั์นพระธรรมดาอันนี้ผมผมก็เปลี่นว่ากําธรรมดาหมายถึงอผมไม่เคยถามนะนี่จะเรื่องเขาพูดเองแล้วผมเฉยเลยผมไม่สนใจถาจำหน้เนี่ยสามประ ประโยคสุขภัยน้าคือมีอะาเป็นเหมกตือของผมงประชุมนานนลเนี่ยผมก่อนถ้าร่อสบายดูโดยลำพังอยู่ของแลไม่สบายคือนนั่งพอมนะานสมาธาอารมณ์ เดอลงไปเกี Yo, place, ่ยวทีก hmm. mm ็ไปทำภาษีภาษาทำมันรอนนกพุทธินีไปเกี่ยวเน้ก็ไปกำลัไม่มีผู้เหยคนมาหุดควรจะไปไหนก็ได้หนังเยอะก็กำลัคือทาวัน ไม่ได้เอกความสะดว ก, ก, กบาจากผู้ใดไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็อย่างนั้นเน้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยสนใจคิดถึงใครว่าจะมาช่วย ม, มาช่วยอะไรยี้กลัวตายมันไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีจังทั้งที่แต่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยนีกลัวมาก ทุกวันนันเปี่ยนเป็น <c> ฝ <oughs> ังมือเพิ่งหลังมือนั่นไม่เคยไปสนใจเราต้องเป็นเัืงตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบ้ามากๆอย่างไอิดมันจะอยู่ที่นั่นสงบพิจารณาทนีนีมันจะเป็นยังไงมันกับลูกกันที่น่ะคําว่าตายว่าตายมันจะหนีจากจุดนั้นได้ ความตรจากกันและันก็าตายต้องเห็นที่กลัวที่ไรคอยเป็นเครื่องของ้อควนที่ใจทาโมดทิง้งทุกข์แล้วก็ร่าเพราะผลต้องการปฏิบัติเองเป็นในระดับธรรมชาติทั้งกิตโดยที่เราไม่ต้องสุดใส่เราไม่กลัวลกล้าก็ไม่กล้าเท่ากันไม่มีคําว่ากล้าไม่มีคําว่ากลัวในความไม่ถูกมีอยู่โดยธรรมชาติ ธรรมดารู้รู้เวลาตุกงคุยแตเกิดขึ้นมากน้อยจิตมันจะพุ๊บปับเข้าทันทีเข้าทันมาจะให้รรมันส่งไปโน้นไปนู้นไม่ไปมันจะโศกหาอะไรส่งไปหาความช่วยเหลกออะไรมาช่วยเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์ก็ อ, อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับนี่ มันไม่ดับมันมันจะตายมัก็ตายอยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้ช่วยกันได้แล้วโลกโลกนี้จะไม่มีป่าช้ามันเป็นความแน่กจที่เอย่างการพิจารณากันที่มันเป็นมากๆนะพวกพิจารณาพวกแก่ที่อยู่วาตมาโกนไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกเนี่ย แต่ว่าถ้าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกเวทนาเกิดขึ้นมากมากมันบีบบังคับหัวใจมันเป็นยังไงวะนอนนี้เหนื่อยเหนื่อยเพียงไปเพียงไปเคียงอ่อนลงไปกับกาลังัเหมาะมันก็หมดไปหมดไปก็เป็นลมนัมือนั้นอ่อนไปแล้วอารณ์นี้ก็ไม่มีกำลังอะไรแล้ว ท่อนไม้ท่ันตึกแต่ความรู้สุกยังมีเป็นตต่ยังว่ากำลังที่จะยกไปยอแขนมือเท้าแรืนไ่เงี้ยมันก็ไม่คิดไปจะยกแล้วมันอ่อนไปหมดไม่หยาดไม่หยัดกะดุกกระดิกแต่จิตมันทำงานน้ำมันทำเยอะทำงานมากเนม่ยบังคับทีนี้ ทกการพิจารณเล่งเท่าไรความรู้มันมันยินเยิเล่นให้ทำมันเป็นรอุบายวิธีรักษากันนั่นแหละไม่เรี้ว่าทำหม้อสดสะดุ้ยทุกเวรยาเกิดขึ้นมากๆนี่ปิดจะไม่แยบออกอย่งั้นหรือเพราะท่านจิตไม่ต้องการให้ใครไปกลัวแม้แต่บทอัดบททก็ติทำข้อใดที่จะไปเตือนไม่ให้พิจารณาอย่านี้ก็ยังได้บอกว่ากอย่าไปเตือนนะ เราไม่ประมาททำแต่ที่กําหนดที่พิจารณาที่ทํางานนั้นก็คือทําอยู่แล้วอย่างเป็นตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยกาทําอื่นเขาไปแทบไปยุ่งยังไงทางานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุรยาเพราะฉะนั้นเวลาฉะนั้นจริงป้องการความสระหนงมเงียบที่สุดนัใ่ใครมาเกี่ยวข้องเลยให้ทําหน้าที่ของตัว ตามความจําเป็นไงขณนะนั้นเมื่อหมดความจําเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาเพราะ่าหมดความจําเป็น น, นี่คือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายมันก็หมดปัญหาหมดความจําเป็นเราอยากให้หเพื่อนได้รู้ได้เห็นทำของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นเวลา น, นา ตลาดแห่งมรุญนิพานก็คือพุทธศาสนานี่พุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรุญนิพานมรุญนิพานที่จะเกิดขึ้นมากเพราะอาศัยมากเมื่อสรุปความแล้วคือมากกธรรมะสีสัมมาทิฏป่งเจริญให้มากในะรอบกว่ ถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มกําลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทํางานที่หนึ่งอื่นสมาธิสมองกันสมาสติตั้งสติในการงานคควบคุม ง, งานให้มีความสื่อต่อกันด้วยความรู้ สมาธิก็คือความสงบเยง็งไม่ส่งเป็นปันื่านแต่เหลือถ่ยออกไปขขาหน่อรุ่นรุ่นในเวลาที่อย่างว่าจำเป็นอันนี้มันมีได้ถ้าคู่ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณตั้ห้าเปอร์เซ็ผู้ที่มีความมุ่งเปลี่ยนนั้นพยายาม ไม่ใช่วิสัยเชนนั้นเราก็ไม่สูญใจทั้งหมันก็ให้สงบลงไปความรู้ความเห็นจิตตุกของอยู่จิตจะคุ้นเรื่องอะไรก็รู้แต่สงบจริงๆเนี้ยมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความตุ้มความแต่งทั้งหมดเสือแต่ความรู้เรื่องล้วนเราก็ทราบโดยชาติพันธ์ในใจแต่ยังไรก็ตามการฟังอยาก คาดอย่าหมายเวลากระทําั้งไว้เป็นคติเวลาเป็นที่มามาถึงวิ่งรับกันเองกระทำที่ตั้งแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมีมไม่ถืกเป็ารมไม่ไมเป็นสัญญาในขณะที่ทําให้มันขาดจากการมีความหมายว่าขาดจากการขาดจากการจต่การกระทําเพื่อให้ขาดจากการมันไงมันก็ไม่ขาดจากกันจะว่าง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 เรายกนิ้วเลยเยเรื่องของครรมสติกปัญญายิเรศ จ, จะหมอบลงได้เพราะอำนาจของสติยิเรศ จ, จะขาดลงไปได้แต่แะ้ะชินอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติและปัญญานี่นีได้เคยดำเนินมาอย่างนี้จะยกกุนปุระพุทธศ์สนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่ท่านนําอรหัตละหันโซดาสีทาคารนาคาอรหรันออกยิ่งออกจากเพื่อศาสนาเป็นพื้นถึกให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศททำสอนโลกเป็นเวลา น, านานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพา น, นด้วยมาก ที่สินคาที่ปัญญามีจำนวนเท่าเหรตลาดของโลกเขาเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจาบ้านตลาดประจำตาบลตลาดประจาอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกอนไปหมดเต็มกระทั่งตลาดโลกเต็ม ไ, มได้วยสินค้ า, ท, า, าทําขการซื้อขาย จะเอาเงินใส้ต right. uh, ู okay. ้รถไฟไปซื้อเมันเงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์ฉันบอกคนจะได้ชมจะต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาที่ออกมาจากพระพุทธเจ้างครโดยสุดเต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชวจากพุทธศาสนาของโบ มีอย่างเหีอวมีแต่ตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนา น, นั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมามรรคผลนิพพานจะ ไม่ปรากฏในสลักแห่งพุทธศาสนาหน่เพราะอำนาจแห่งมรรคจะไปปรากฏที่ไห น, นเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ได้ใช้มามากแล้วตามภาพเพียรนิการงานหนึ่งที่เราใช้กำลังวังชาทม งานนั้นๆัมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกําลังมากมายสติปัญญาก็นําไปใช้หมดมากมายเราจะนํามาใช้เพื่อความเปลี่ยนของเราทู่ลงไปด้วยกําลังร่างกายกําลังสติพลังปัญญาสตางค์ความเปลี่ยนให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยทําไมจะไม่ปรากฏมรุญพานขึ้นลยท่ามกลางแห่งตลาดคือภูมกิก ด, ดิ์ศรีมหาฤทธิอำนาจแห่งมรรคหลัก มันเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกะลาดขงพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกมุมในพุทธศาสนานีทั้งหมดโดยอาศัย มัชชิมาปฏิปทาเป็นเครื่องขิ้ขึ้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชชิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทําให้มัชชิมาปฏิปทาสมบูรณ์มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียนทั้งทางสติอันนี้รู้โดยสติเพียนทั้งด้านปัญญาปัญญพิเภกเดินนะเพียนทั้ง จะทาจิตให้มีความสงกด้วยสติธรรมมาสติคือลรกรู้อยู่ในวงแห่งการแต่ทำันว่าสติอรารู้ในที่สี่สถานออกกายเวทนาจิตธรรมพากันหนักแน่นในทํามเหล่านี้อยา่าไปคาด การสถานที่งุ่ที่หนีร่ำเวลาให้เสียเวลาแสบนี้ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับปฏิบัติและเสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาเ พ, พื่อปฏิบัติเพื่อมะผลพ่นพาน ด, ด้วยนิยาณิกรรมของพระพุทธเจ้าย่อความร้่นดาวมาทําลายความเปลี่ยนทุกตนมาทําลายกําลังใจ ความรุนควมเดาวความคาดความหมายว่าหเห็ น, ห จ, ะ น, นหจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นดังนี้หลายครั้งแล้วเห็ข้าไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นจะไม่งานมันหลอกเขอายย้ามาเลยนะเห็นหจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนเบาบางสมัยโน้นคนพิเรน ห, ห, หเนเป็นแบบนั้น ใครไม่หกักไม่แบกบกิเลสมาเกิดมีหรือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่อนวัดเละต่างคนต่างหากกิเลสมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นปลาเป็นหญิงเป็นชายเป็นศพเป็นคนไม่ได้นี้เป็นข้อยืนยันว่าข้ามพุธการบรรดาสาวสานะ ท, ทั้งหลายนักโกทิได้ลงไปท่านต้องมีกิเลสหรือว่าหากกิเลสมาเกิดด้วยกัน ค ำ, คำว่าที่เหลือ่มันเป็นเครื่มืดมิดปิดตาทําไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เทา่าแต่ก่อนที่ท่านอย่างเมื่อบรนี้จะไม่มืดมิดปิดตาละ่ะที่เหลือเป็นเครื่มืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดวงใจต้องมืดสวรรค์หนาคนหนารูปคํคามขรัมผมว่าความไม่แน่นอน ที่เหลมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านทำละได้ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรพรผนนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรพรผลนิพพานขึ้นมาในทั้งพุทธการมากมายกาดก่อพรุวันนี้ตลาดนี้มี ต, ตลาดเปล่าหรือไม่มีสินค้าคือมรพรผลนิพพานหรือนี่เพราะเห็นไรอันนั้นมีนี่ไม่มีเพราะ ศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพอบไม่มีผู้ปฏิบัติตำเนินตามพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนชอบจะสุกเอาเผากิ้มหมันึงเรียนรับรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ าทางลับใดก็เสมอเหมือนนักิมาไม่มีแล้วนี่คือทางลับทางตรงแน่ต่อพระปณิพันธ์ลาพิจารณาพิจรณาให้ช่ำช่องอยาไปสำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองแล้วแล้วพิจารณาจนเข้าใจ เรื่องอะไรหลายครั้งแล้วนะ ม, มันเข้าใจเองมันชอบพิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็จะ ป, ปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำหลวงพ่อค ส, สอนอย่างไรตัวของเรานี่กจเป็นตลาดมากคุนผ่านอยู่แล้ว เิดปขึ้นมาที่สินค้าอันล่ำ่าดมักผลทั้งสี่โลตกกุตระนั้นนอกแห้วกไปยากใจนีที่ไหนไม่นอกปกกักกวาดทิ้บถูชำระอาสางชำรล้ายจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเื้องูอยู่โดยสม่งเสมอ ไม่ต้องนิตกวีการกับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแอก้พิริศนาสภาะแต่ให้คิดให้อ่านกาย จ, จงหรือมีสติสัตามตระหนักความเพียรหมุนตี้วเข้าในจุดที่จะแก้พิริศอาสภวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หลุด t h o อ t จิริศอ ออกได้โดยลำดัด้วยความเปลี่ยนนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเปลี่ยนนะครับนี้นี่ไม่สงสัยหนึ่งมารคผลที่ผ่านไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับส่วนคาตธรรมนี้ร้อยโปรศไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยว่า ไม่มีการทสถานที่ใดหรือบุคคลใดมีอำนาจวัฒนามากดขี่บังคับกีดกันให้ผู้บงเพ็ญโดยชอบทำได้บรรลุมรรคผลนิผ่านนอกจากทุกขกับสมุทยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นการทางเดินของผู้นัน้นเท่านั้นเมื่อมากยังมันมีกำลังผมว่ามากเระทราบแล้วดังที่กล่าวมา นี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่เราคุมลังผานในจิตใจนึกออกให้เปลี่ยนโลกด้วยอำนาจของสมาพิปัญญาศรัทธาความเพียร อ, อันนี้เป็นผู้บุกเบิกทุกสมุทัยเป็นเครื่องติดบงังว่าผงผ่านสติปัญญาเป็นเครื่องสองทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลหนึ่ง ค ว, ค, ความดับทุกไปโดยลำดับเพราะอํานาจของมรรคที่ทํางานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเป็ความดับทุกข์ึ้นมาเป็นขั้นขั้นไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทํางานนเะช่นอย่างทุกจะตั้งหน้าทํางานก็ไม่ใช่เรื่องของชุมนุษย์ไทยเป็นผู้ผิดให้ทุกต้องสแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ายมรรคของมรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธสแสดงตัวออกมา ในทางหลักถุก น, นี่เท่านี้งถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพกะพุทจา้าตรงเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการโุ้มสถานที่วื่นที่มี่จะเป็นเพื่อนหลอกลวงจิตใจเรและทําใจให้อ่อนแอท้อถอยทั้งหมดความเปลี่ยนเมื่อหมดความเพียนะ่ยนแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะพิสุทธ์หาประโยชอะไรไม่ได้เรื่องนั้นใช้หมดมาเพื่อความสิ้นท่าความหมดราคา เรา ว, วมาเพื่อเพิ่มูคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีทำเป็นเครื่องเป็นดักให้ ส, สวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นรสว่างกระจา่งางแ จ, จ้งภายในจิตใจต่างหากเราทำมาเพื่อความสิ้นขาดฉะนั้นต้องากันตั้งต้นใส่ประพฤติปเป็นดักชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้ อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนเรื่องเราให้น้อยน้อยขปอึ่งไปและจะเป็นการช้าต่อมักผลนิพพานที่เราจะทำได้เพง่ิึนตามเจตนาของตกเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อตรงนี้สัวนขาตัดธรรมแต่ไม่ชอบแล้วนั่นตรงนั้นทั้งค นิยานี่ะารทำดั้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่กะไม่ชอบแล้วด้วยความรอบธรรมของเราทำก็เป็นเครื่องนำ อ, ออกนิยานี้กะ น, นำสิ่งสกรปรกสมองสิ่งที่เป็นข่าศึกกับจิตใจออกมาได้เดิมแจนกระทั่งถึงที่สุดยิ่งมุดพนิทานนอกเหนื้อไปจากใจดวงนี้กับความเคร่งตึงขึนนั่นเลยนี่เ่นั้น อยากคิดอย่างอื่นอย่างไดให้เสียเวลาเยื่อโลกโลกนี้ามมือตะ ก, น, ก น, นหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไมา่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักสุญญ์งานนักแ ห, ห, ห, ห่งในธรรมจักรปรี้กระเปร่าอีกอย่าง โกซาทิเกเวมัชิมาปฏิปด า, าตถาคตนอภิสัมบูทานี่แหละที่สุดทั้งหลายอุดทางอันเอกมัชิมาเป็นทางสายกลางอย่างนี้ต่ออันตรัสรี้ตักูเป็งยาเป็นไปพู้จักสิยายาสักูุก็นเรียนไป่อความเห็นแจ้ง ฝึกจากสุขัยงานยานการนี้นจะเป็นไปเพราะความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าอย่างจะขูก่กอยงยา น, น, นการท่านนว่าับ โินปทายะอินบานายะสร้างมรดกเป็นไปเพื่อพันตัะรู้เป็นไปเพื่อพันป่านะอิน่ะอยังขั่วซ้ายทําไมบอกว่าอยังคนนี่นะอายังคนนั้นนอะืจะพาให้เป็นมะขุนผ่านอายังการนู้นอายังสถานที่มไม่มีนะอายังขั้วซ้ายพิเคยมัชชิมา น, น มุ่อค่ามที่ทั้งหลายมักษิมปาปิปทาจทางที่ประกอบด้วยองแก่นนี่แหละที่จะเป็นไปกับความที่แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายมุ่งสอนให้หันี้ที่นีใเราหนักแน่นในความเปลี่ยนลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์ด้วยความรู้ภายในจิต ที่แรกก็อาศัยการว่ า, า, วาภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังยังไม่ทํา ง, งานต้องอาศัยสัญญาเป็นเครื่องวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาเข้าใจจอมไปทางนั้นต่อไปเมื่อปัญญาหนึ่งกำลังพอสมตัวได้หรือมีพลังกำลังแกิดข้าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอเรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลย คำหวณตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งพุ่งพุ่ ง, ง ท, ะทะลุทะลุทะลุทะลุไปไม่ต้องประพาตต่หมานหมันคลีกันกับขั้นเริ่มแรกคือเป็นขั้นลมลุกคลั่งเพราะว่าสมาธิเรือว่าปัญญามันมึ่งการกล้มลุกคลั่งก็ความไม่ชังานความไม่เคยรู้ไปเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนานทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลําดับโดยลำพังตัวเอง มี่ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่ง น, นั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองนะ้สันติทิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเรากะไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทเห่งธรรมนั้นๆนะสันติิโกอาการโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับปัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่ รเรื่องเวลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่เพื่อกําลังของความเจ็บของเร า, า, เ า, เเาปัญหามีเท่าไหร่พากันเน้นหนักใจิตใจให้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลาอย่างคนทีงมีกิเลสปลูกธรรมไปนน่มไปนีป่สมัยโน้มมนักมนุษย์นิพพานอะไรว่าอะไรตามความมืดกดเราไม่ได้เอา พกมือบอดมาเสนนันกระฉามเราจะไปหลงตามลมปาของพวกบ้างี่เงีะะ่ตามหมดแต่กายึดพุดทธธรรมธรรมสังขารเสนนันกระฉามนี้เป็นชีวิตจิตใจทั้งการดําเนินอของเราต่างหากเราอย่าไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงูงนี่เป็นธรรมชาติที่เลิ่อเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนแล้วสําหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่มีผิดหลัง พาไปดำเงิ น, นงตรงนี้ mm. นี่หละตลาดผลมรุภุญญาภารอยู่ตรงนี้นะส mm hmm. ถานที่พิจารณาเนี่ยเหมือนตลาดเราปรากฏผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลก่อนนั่นสินค้าอันล้ำขาปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนมาสั่งถึงอาราษตรผลนี่คือสินค้าชั้นเอก นอกเหนือประจกักษ์จิตนี้แหละมีตรงนี้เราสินค้าเขาเออตลาดของพระพุทธของพระพุทธศาสนาก็ามีเครื่องยืนยันท้าทายได้เส่นเดียวกับตลาดของโลกไปทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเป็นตลาดเห็นได้อย่างประจักษ์ตา ต้องการอะไรหาที่ได้ถ้ามีเงินจะซื้อให้จะไม่ทั้งม่มีเงินเหลือจะไปตา ม, มาลาดเพราะสินค้ า, ารรมันมากทำมากกว่ามุพติเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาเรืยาก็เหมือนกันอาควาดลงไปความเพียรหนีแล้วไปเพียรสิ่งอื่มานานแล้วขึ้นมื่อเกิดผลประยอะไรก็คคยก็เคยเพียรมาแล้วพยายามอะไรก็พยายามปัตติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช่หรือไม่ใช่ก็ใช่มามากแล้ว ที่เราจะใ่้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนที่เรศันเป็นค่าศึกสําคัญในภายในจิตใจจะมาเพียนที่ตรงนี้แต่ทุ่มเทกําลังลงทั้งกําลังความคิดสติปัญญากําลังการทุกด้านทุกทางทุรวงตัวลงไปที่จุดนี้แห้เป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการของงานขึ้นมาให้เราได้ชมภานตัว มันจะได้ชมตลาดอย่า ง, างน้องปุณิภันอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติไดต้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกมือมลโลกให้ได้ชมในการขึ้นปฏิบัติเราอย่าลักความาความเปลี่ยนให้มีความเขลื่อนแผลให้ให้ความคิด สติปัญญาไม่น่ากกิจนอกการหมผมเตือนผมดุอยู่เสมอเพราะเพราะมันขวางตาอยู่นั่นไงที่ว่าไงทิ้งที่มันขวางนั่นแหคุณผุ้ชมในฐานะที่เป็นคนรูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหัวขวัญทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นนั้นถ้าไม่ขวางก่อนแต่ว่ามไงมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางทําไม่ถือว่ามันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ ข, ของคนนั้นเอง สอ่องเห็นอย่างแท่คดรดพากันเรื่องลงปัฏเอาอะไรทำงานอะไรให้มันแน่นอนให้จริงจังอย่าหักนิสยัยรออึดเคยตัวปยันห่างวันตายเป็นลันนาากษณะจักจุดไปกที่หมดทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผมประโยช น, นไม่ได้คนหาหลักจริไม่ได้ เลื่อนลอยใจเลื่อนลอยแล้วฮาร์ดที่พื้นเกินก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสารักินบ้างพอเป็นที่เย็นใจไม่ไไมีนี่แต่ความหลอนแหละไม่กินไม่จําท่านไปเห็เหองท่านให้ชื่อให้นามว่ามักคุนิพานโสดาปฏิมาสกษษษษีทาคารินะ อ น, นาคามีมักอาหารหัตตามาักโฆษณาปฏิผลสกิทาการมีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันนัำเลิกซึ่งจะผิดกินได้าจากแใจของเราเองโดยทางศีลมาริาการขอให้ภากันจิตเอาเป็นก็เป็น ต, า, ต, า, ตายกตายถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์ เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียงที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหายอ่านเพียงแต่คนหนึ่งที่เป็นปวยให้ท่านปัญญาที่บายให้หมู่เพื่อนฟัง